ฝ่ายพระเจ้าจุลณีพรหมทัตเชื่อคำแห่งเกวัตตะอันมูเสนาแวดล้อมแล้วสเสด็จไปล้อมเมืองหนึ่งฝ่ายเกวัตตะก็เข้าไปเมืองนั้นโดยในที่กล่าวแล้วยังพระราชาในเมืองนั้นให้ยินยอมแล้วทําเมืองนั้นให้เป็นของตนทํากองทัพทั้งสองให้เป็นกองเดียวกันไปล้อมเมืองอื่นก็ยึดเมืองทั้งปวงได้หมดโดยลำดับ พระเจ้าจุลนีตั้งอยู่ในโอวาทของพราหมณ์เกวัตตะยกเสียแต่พระเจ้าวิเทหราชนอกนั้นก็ได้พระราชาทั้งหลายในสกลชมภูทวีปอันเหลืออยู่ให้เป็นของพระองค์ด้วยประการชนีบุรุษที่มโหสดวางไว้ก็ส่งข่าวถึงมโหสดเนืองนิดว่านะครทั้งหลายมีประมาณเท่านี้พระเจ้าจุลนีพรหมทัต ย, ยึดไว้ได้แล้ว ขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทปายมโหสถบัณฑิตทรงข่าวตอบไปยังบุรุษที่วางไว้เหล่านั้นว่าเราเป็นผู้ไม่ได้ประมาทอยู่ในที่นี้แล้วแม้พวกเจ้าทั้งหลายก็อย่าได้วิตกถึงเราจงเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เถิดปายพระเจ้าจุลณีพรหมทัตยกทัพไปยึดนครนั้นนั้นสิ้นเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวัน ก็ได้ราชสมบัติในสกลชมภูทวีปเว้นวิเทหราชจึงตรัสกะเกวตตะปุโรหิตว่านครทั้งหลายเท่านี้เราได้ไว้แล้วแล้วเราจะยึดราชสมบัติของพระเจ้าวิเทหราชณกรมิถิลาปุโรหิตทูลคานว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพวกเราไม่ควรจะยึดราชสมบัติในนครที่มโหสดอยู่ เพราะว่ามโหสถนั้นเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยความรู้และเป็นผู้ฉลาดในอุบายอย่างนี้อย่างนี้ปุโรหิตทูลห้ามพระเจ้าจุลณีพันนาคุณสมบัติของมโหสถ ด, ดุดบุคคลยกมนทนแห่งดวงจันทร์ขึ้นกล่าวเพราะว่าปุโรหิตนี้เป็นผู้ฉลาดในอุบายเองฉะนั้นจึงยังพระราชาให้กําหนดด้วยอุบายว่าข้าแต่เทพเจ้า ราชาสมบัติในมิทิรานครเป็นของเล็กน้อยราชาสมบัติในสกลชมพูทวีปเป็นของพอแก่เราทั้งหลายประโยชน์อะไรด้วยราชาสมบัติในนครมิทิลาแก่เราทั้งหลายเล่าฝ่ายพระราชาทั้งหลายอันเหลือก็กล่าวว่าเราทั้งหลายจักยึดราชาสมบัติในกรุงมิทิลาแล้วดื่มชัยบาลฝ่ายเกวัตตะก็ทูลห้ามพระราชาเหล่านั้น แล้วให้พระราชาเหล่านั้นรู้ด้วยอุบายว่าเราทั้งหลายจักยึดราชสมบัติในวิเทหรัฐทำอะไรพระราชานั้นก็เป็นดุดของเราทั้งหลายขอพระองค์ทั้งหลายเสด็จกลับเถิดพระราชาเหล่านั้นได้ฟังคำของเกวตะตะต่างก็เสด็จกลับนครของตนของตนเหล่าบุรุษที่วางไว้สดับเหตุการณ์ก็ทรงข่าวแกมโหสดว่า พระเจ้าจุลณีพรหมทัตอันพระราชาร้อยเอ็ดแวดล้อมจะมาสู่กรุงมิถิลาแต่ก็กลับสู่เมืองของตนฝ่ายพระมหาสัตว์ก็ส่งข่าวต่อพวกบุรุษที่วางไว้ว่าจำเดิมแต่นี้พวกเจ้าจงคอยดูกิริยาของพระเจ้าจุลณีฝ่ายพระเจ้าจุลณีทรงปรึกษากับอาจารย์เกวัตตะว่าบัดนี้เราจะทํา ก, รรกิจอย่างไร ครั้นเกวตตะทูลว่าเราจากดื่มชัยบาลจึงให้ประดับอุทยานแล้วตรัสสั่งพวกราชสเสวกว่าพวกเจ้าจงตรเตรียมสุลาไว้ในหายสักร้อยหายพันหายตรเตรียมของบริโภคมีรถคือปลาและเนื้อเป็นต้นมีอย่างต่างๆไว้ให้เพียงพอการนั้นบุรุษที่มโหสดวางไว้ก็ส่งประพฤติเหตุนั้นให้มโหสถทราบ ก็แต่บุรุษที่มโหสถวางไว้เหล่านั้นหารู้ไม่ว่าพระเจ้าจุลณีประกอบสุราด้วยยาพิษใกล้จะฆ่าพระราชาร้อยเอ็ดให้สิ้นพระชนชีพฝ่ายพระโพธิสัตว์รู้ความนั้นแต่สุวะโพดกจึงส่งข่าวบอกพวกบุรุษที่วางไว้นั้นว่าเจ้าทั้งหลายรู้วันที่จะดื่มสุราแน่นอนแล้วจงบอกแก่เราบุรุษที่วางไว้นั้นก็ทาตามสั่ง มโหส ด, ดําริว่าเมื่อบัณฑิตเช่นเรามีอยู่พระราชามีประมาณเท่านี้ไม่ควรสิ้นพระชนชีพเราจะเป็นที่พึ่งของพระราชาเหล่านั้นคิดชนี้แล้วเรียกพวกถวยหารที่เป็นบริวารสหชาตพันคนนั้นมาแจ้งว่าท่านสหายทั้งหลายได้ยินว่าพระราชาจุลณีให้ตกแต่งพระราชอุทยานและแวดล้อมไปด้วยพระราชาร้อยเอ็ด ประสงค์จะดื่มสุราเจ้าทั้งหลายจงไปในที่นั้นในเมื่ออาจของพระราชาทั้งหลายเขาแต่งตั้งแล้วในเมื่อพระราชาองค์หนึ่งยังไม่นั่งเจ้าทั้งหลายจงชิงเอาอาจซึ่งตั้งอยู่ในลำดับต่อกับอาจแห่งพระเจ้าจุลณีประกาศว่านี้เป็นราชาอาจมีค่ามากแห่งพระราชาของพวกเราดังนี้เมื่อข้าราชาการฝ่ายนั้นกล่าวว่า ท่านทั้งหลายเป็นคนของใครพึงกล่าวตอบว่าเป็นข้าราชการของพระเจ้าวิเทหราชเมื่อพวกข้าราชการฝ่ายนั้นกล่าวกับพวกเจ้าว่าเราทั้งหลายเมื่อไปล้อมยึดเอานครนั้นนะครนั้นถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็วันก็หาเห็นพระราชาอันมีนามว่าวิเทหะสักวันหนึ่งไม่พระราชาที่พวกท่านอ้างนั้นจักชื่อว่าพระราชากะไรได้ ท่านทั้งหลายจงไปจงถือเอาอาดสุดท้ายเมื่อกล่าวชะนี้แล้วก็จักทุ่มเถียงกันพวกเจ้าก็จงเถียงว่าพระราชาอื่นยกพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเสียแล้วจะยิ่งกว่าพระราชาของเราในที่นี้ไม่มีกล่าวชะนี้แล้วจงทุ่มเถียงให้มากขึ้นแล้วพูดว่าเมื่อพวกเราไม่ได้แม้ซึ่งอาดเพื่อพระราชาของพวกเรา พวกเราจะไม่ให้ท่านทั้งหลายดื่มสุราและเคี้ยวกินมัชชะมังสะณบับดนี้แล้วบลือโหร้องยังความสะดุ้งให้เกิดแก่ข้าราชการฝ่ายนั้นด้วยเสียงดังแล้วต่อยทุกไหสุราทั้งปวงเสียด้วยค้อนใหญ่แล้วเทสาตมัชะมังสาหารเสียทําให้บริโภคไม่ได้แล้วเข้าไปสู่ระหว่างแห่งเสนาโดยเร็วดุดเหล่าอสูรเข้าไปสู่เทพนคร แล้วทำเสียงให้อึกระทึกครึกโครมประกาศว่าเราทั้งหลายเป็นคนของมโหสถบัณฑิตในกรุงมิธิลาถ้าท่านทั้งหลายสามารถก็จงจับพวกเราให้ข้าราชการเหล่านั้นรู้ความที่พวกเจ้ามาแล้วจงมาเถิดมโหสถให้แจ้งสหชาติโยธาของตนรู้ชะนี้แล้วส่งไปถวยหารสหชาติบริวารของมโหสถรับคำสั่ง ไหว้ามาโหสดแล้วผูกสอดอาวุธหออกจากกรุงมิธิลาไปในราชอุทยานแห่งพระเจ้าจุลณีเข้าไปสู่พระราชอุทยานอันตกแต่งแล้วดุดนันทนวันเทพอุทยานฉะนั้นเห็นสิริราชสมบัติอันประดับแล้วตั้งแต่พระราชบัลังพระราชาร้อยเอ็ดซึ่งมีสเสวตฉัตัรอันยกแล้วได้ทากิจทั้งปวงโดยในอันพระโพธิสัตว์กล่าวแล้ว ยังมหาชนให้เอกกระเริกแล้วบายหน้ากลับกรุงมิทิลาควายราชบริษัทข้างกรุงปัญจาละก็กราบทูลประพฤติเหตุแต่พระราชาเหล่านั้นพระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงพิโรธว่าพวกกรุงมิทิลามาทำอันตรายแกสุราที่ประกอบยาพิษเห็นปานนี้ของเราเสียฝวายพระราชาร้อยเอ็ดก็พิโรธว่า พวกกรุงมิถิลามาทำให้พวกเราไม่ได้ดื่มชัยบาลส่วนพลนิกายก็ขัดใจว่าเราทั้งหลายไม่ได้ดื่มสุราอันหามูล่ามิได้ฝ่ายพระเจ้าจุลณีพรมทัตตรัสเรียกพระราชาเหล่านั้นมารับสั่งว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาเราทั้งหลายจักไปกรุงมิถิลา ตัดเสียนพระเจ้าวิเทหราชเสียด้วยพระขันแล้วย่ําเหยียบเสียด้วยบาทแล้วประชุมดื่มชัยบาลท่านทั้งหลายจงเตรียมยกกองทัพไปตรัตชนีแล้วสเสด็จในที่ลับตรัสข้อความนี้แก่เกวัตตะอีกว่าเราทั้งหลายจักจับปัจจามิตรผู้ทําอันตรายแผนการเห็นปานนี้ของพวกเราพวกเราจักเป็นผู้อันเสนาสิบแปดอคโคพิณี พร้อมด้วยพระราชาร้อยเอ็ดแวดล้อมไปท่านอาจารย์จงไปด้วยพรามเกวัตตะดำริด้วยความที่ตนเป็นผู้ฉลาดว่าอันเราไม่อาจจะเอาชนะมะโหสถบัณฑิตความละอายจากมีแก่พวกเราเป็นแน่เราจะยังพระราชาให้กลับพระดำริลำดับนั้นเกวัตตะจิงทูนพระราชาว่าข้าแต่มหาราช นั่นหาใช่กำลังของพระเจ้าวิเทหราชไม่นั่นเป็นการจัดแจงนั่นเป็นอนุภาพของมโหสถบัณฑิตกรุงมิถิลาอันเขารักษาแล้วดุดถ้ำที่ราชสีรักษาแล้วอันใครๆไม่อาจยึดเอาความอายจักมีแก่พวกเราอย่างเดียวไม่ควรไปณนะกรุงมิถิลา ฝ่ายพระราชาจุลนีเป็นผู้มัวเมาด้วยความเมาในราชอิสริยยศด้วยถือพระองค์ว่าเป็นกรรษัตริย์จึงตรัสว่ามโหสดจะทำอะไรเราได้ตรัชนี้แล้วเป็นผู้อันพระราชาร้อยเอ็ดแวดลอ้อมเสด็จออกไปด้วยเสนากำหนดส8บัปดอคพินีฝ่ายอาจารย์เกวัตตะเมื่อไม่อาจจะให้พระเจ้าจุลนีเชื่อคำของตน ก็โดยเสด็จไปด้วยด้วยคิดเห็นว่าเราไม่ควรจะประพฤติให้เป็นข้าศึกต่อพระราชา